ทำก็คือการฟังเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเราไม่มากแปดหมื่นสี่พันเรื่องรวมลงแล้วคือในใต้กับใจใต้กับใจรวมลงแล้วเป็นรูปประธรรมเป็นนามธรรมในรูปในนามในรู ป, ประธรรมในนามธรรมเป็นวัตถุเป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นธาต เป็นาธาตุกรรมฐานเป็นาธาตุสี่ันห้ารวมกันกรให้ในชีวิตขึ้นมาแต่จริงมันก็ยังเป็นาธาตุตามความเป็นจงอยู่ให้แต่าธาตุเท่านั้นที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ี่เราสวดธาตุกรรมฐานจัตถาปฏิยัง อาหารเบญธบาตเจราชนาจิรนาเอกฉัตรเรพิจารณาเห็นเป็นธาตุธรรมชาติมันก็หายตัวไอชาหายตัวแม่แต่คาถาอาคมที่อยู่โยงคงกับพันเ้าก็เก่าทั้งธาตุแั่นี้มันจะธาตุดินน้ำลงไปไม่มีใครที่มาทำา้ายกัน ดินก็เป็นดินน้ําก็เป็นน้ํำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟประกอบกันเข้าจึงเป็นธรรมชาติมองถึงธรรมชาติธรรมะือธรรมชาติยังมีชาตตกเรื่องหนึง่งในนกจิบน้อยตัวหนึง่งกํลาลังหายกินอยู่บนกอนไถของชาวนาแต่ไม่เหยียวตัวหนึง่ง โชกเนกเก็บน้อยลนไปนกเก็บน้อยก็มองถึงความเป็นาธาตุโอ้าธาตุเขจับาธาตุไปนาะเป็นเลนเป็นน้าําเป็นลมเป็นไฟเขาจับธาตุไปไหนเนาะเนี่ยนกเก็บน้อยไม่ได้มองถึงความกลัวไมได้มองถึงความตายเป็นสกปรธาตุเกี่ยวก็เป็นสกปรธาตุนกเ ก, ก็บน้อยก็เป็นรรธรรมธาตุธาตุเอ า, าธาตุไปไหน พิจารณาอยู่พิจารณาในความเป็นธาตุเป็นธรรมชาติธรรมดาปฏิสุดเหี่ยวเล็บเกี่ยวก็อ่อนไปไม่รั่ว อ, อะไรก็เลยวางนกเก็บน้อยนกเก็บน้อยก็ลอดตายไปเพราะพิจารณาธาตุธรรมชาติตอนเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเราก็เป็น ตามธรรมชาติตามความเป็จริงของเขาก็าเรามองดูดีๆความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ความวิตกความโกรธความเศร้าหมองไม่มีเป็นธรรมชาติยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งมาเห็นรูปเห็นนามมีสติสมัญญะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นอะไรต่างๆทมันเกิดขึ้นกับรูปควานาม ก็ยิ่งเป็นธรรมชาติที่ลงตัวที่สุดมีสติมีสมรชัญะเห็นวัตถุเห็นอาการความรลอนความหนาวความหิวความปวดความเจ็บเป็นอาการของธาตุของลูกความโกรธความโลภความหลงความลอกความชังความวิตกความวนความเศร้าหมองเป็นอาการของนาม อาการที่มันต้องมีแต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ในอาการเอาแสดงอาการเราเข า, ม, ม, า ม, มีลูกมีนามม่ลูกประทำม่นามมาทำตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่ใช่เอามาเป็นสุขไม่ใช่มาเป็นทุกข์ไม่ใช่มาเป็นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เอามาเป็นความรักควา ม, วา ม, มชัเามาเมมงเป็นอาการตามความเป็นจริงบรรลุธรรม เหตุอาการจะเน่ก็ได้บรรลุทำพ้นจากคำวะพ้นจากกามภาพที่มันเป็นจริงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาอาการต่า ง, างๆว่าเป็นตัวเป็นตนพอเรามาปฏิบัติธรรมเห็นลูกเห็นนามโลกนามมันก็บอกความเป็นจริงอบอกความเป็นจริงที่ทําให้เราได้หลุดพ้นเนี่ยมันเป็นโลกนะเนี่ยมันเป็นนามนะ ี่มันเป็นวัตถุนะนี่มันเป็นอาการนะตาก็เป็นตาเป็นวัตถุอันหนึ่งวัตถุต่อวัตถุที่มันสัมผัสกันวัตถุอันหนึ่งคือตาวัตถุอันหนึ่งคือลูกวัตถุอันหนึ่งคือกายวัตถุอันหนึ่งคือความร้อนความหนาวความอ่อนความแข็งความอะไรต่างๆมันเป็นวัตถุอาการเมื่อมีวัตถุมันก็มีอาการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาไฟก็เป็นวัตถุ มันมีน้ำอยู่มันอยู่มันเกิดมันก็เจ็บไม่ได้มีอาหารมันก็หิวแสงแดดเราอนเราองคเราอองฝนก็หนาวมันเป็นวัตถุอาการของเขาตามความเป็นจริงเราไปได้ศึกษาเราไม่รู้ไปออกมาเป็นสุขออกมาเป็นทุกข์ก็หลอกตัวเองสุขเป็นเท่าไหร่มันมีจริงไหมทุกข์เป็เท่าไหร่มันมีจริงไหมสําหรับความชังมันมีเท่าไหร่มันมีจริงไหม สำรับกวันนี้จากเราไปไหนความชังมันก็หนีจากเราไปไหนความโลภความโกรธความลงมันมีจริงไหมมันอยู่ที่ไหนเดีย๋ยวนี้ไม่เลเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นถึงนครั้งเป็นคราวบางทีเราก็ไปตูไป่ไปยืดเราไปยืดเราไม่รู้จะปล่อยจะวางจนหลอกปอกเปลงไปหมดมัอนก็นลดมาเจอวิ่งหนี มันจะเวี่งออกไปเราไปดึงมันไว้เราไม่รู้จักว่ า, วาเจ็บตัวเฝล่าไปดึงเอาความสุขไปดึงเอาความทุกข์ไปดึงเอาความรักความสั่งมันก็หนีจากเราไปมันไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อเรามาศึกษาเมื่อมาเห็นแก้งกันแนวชีวิตของเราก็บริสุทธิ์แล้วไม่เปิดไม่เพื่อนกับสิ่งใดโดยเฉพาะวิธีที่เราศึกษาเราปฏิบัติแนี่ย แล้วก็เป็นสูตรจริงๆมันเป็นหลักสูตรมันบอกเราสูตรของสติปัฏฐานพาดูซิว่าก า, ายที่มันคืออะไรกายเนี่ยกา ย, ยา น, ปนาุปัสสนาไม่สติเห็นกายไม่สติเห็นกายให้มันเห็นจริงๆให้มันซึ่งหน้าตรงหน้าเราเราจะดูอะไรจนมันติดตาตามความเป็นจริงของเขา ตาในคือความรู้สึกตัวมันติดมันติดตาในมันเห็นแจ้งเมือเห็นใหม่ๆมันก็เป็นรุ่นเป็นก้อนเห็นกายก็เป็นกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายกายมันแสดงออกถึงความโปวดความม่วยก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความปวดความเมื่อยกายมันเป็นทุกข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ ตายมันเป็นสุขก็เป็นตัวเป็นตนอยู <S <S well <S <S ่ในความสุขพอมาดูเข well. ้าไปเงสุขทุกข์ม ouais ันจะบอกเราที <S <S ่เราไปหลงว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นมันจะบอกเรามันบอกว่ามันไม่เที่ยงมันบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ตนมันก็บอกเราความเป็นทุกข์มันก็บอกเราความไม่เที่ยงมันก็บอกเรามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเราก็เห็นมันแล้วเห็นมันอีก ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนฉลาดได้ปนะเนีแต่ก่อนมาโง่คนเรื่องนี้วันนี้มันไม่โง่คนเรื่องนี้มันกลายมาเป็นความฉลาดความโกรธก็ทําให้เราฉลาดความหลงความทุกข์ทำให้เราฉลา ด, า ม, ลา ม, าลาดมันมีเมื่อมันมีเพื่อให้เราได้รู้เห็นตามความเป็นจริงอจะได้หลักสูตรได้หลักสูตร ตายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุกลตัวตนเราเขาอะไรสูตรมันไปทำลองนั้นสูตรถูกคนไปอย่างนั้นแต่ไป ย, ยืดตัวมันผิดมันเก็บตัวแต่ลองเห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขามันก็เข้ากันเข้ากันห้องจองกันไปมันขอามีวิธีทำการอัตกรรมอัตกรรมการจัดการสาล ถ้ามันสูกมันก็เข้ากันได้แม่ตอกเส้นไม้ที่เราสารแ็งขนาดไหนเมื่อมันได้ถูกลวดถูกลายเขามันมันก็เข้ากันแต่ว่าก่อนที่จะถูกลวดถูกลายต้องฝึกหั ด, ดเส้นสูตรของเขาก็ไม่ว่าถ้าสารถ้าสารกระด้งควัดเขา่านะไลเอกา ความหายนอยสองขวบบนยอดสองหายยอดสี่บนยอดสี่หายยอดสองความสามถูกพี่เป็นสูตรตรงไหนยกสองเส้นต้องยกสี่เส้นต่อไปที่แรกยกสองเส้นต่อไปต้องยกสี่เส้นให้ความข้ามสามสามเส้นทุกพีอันนี้เป็นสูตร แต่เมื่อเราไปทำดูมันก็ทํายากเราไปทําดูมันก็เรียนไปมันก็บอกเราเราก็นับดูโอ้ตรงนี้ข้ามตรงนี้ยกสองต่อไปต้องยกสี่ตรงข้ามสามตรงนี้ยกสองต้องยกสี่ต้องข้ามสามตรงนี้ยกสี่ต้องยกสองต้องข้ามสามมันก็เปลี่ยนกันไปก็เป็นลายกันมับก็เข้ากันมันก็เข้ากันแข็งปัดข้าวน่ะรวดกันเรา ใส่ข้าวข้าเปือกไปทางหนงข้าวสารไปทางไหนลอาออกไปทางไห น, งนเป็นภูมิปัญญาของคนคนโบราณเราเกี่ยวกับวัตถุเอามาให้มันใชัได้เอามาทําให้เป็นประโยชน์โดยสูตรของเขาปลาย ใ, ใจของเราเนี่กําหัืนกันเอามาเป็นสูตรที่มันเป็นประโยชน์เกิดมากเกิดผลมากผลต้องหาได้ใน สูตรของกายของใจแต่ถ้าเราไม่ศึกษาต้องก็เป็นโทษเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพียนตายอะไรทุกข์ตลอดชาติ้นเสมอทุกข์จนใจขาดก็มันถ้าเราไม่รู้นะถ้าเรารู้เโอ้ยมันก็ไม่มีอะไระเราจะมาดูซะให้มันจบซะตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นชีวิตที่ว่าพอที่จะเอ่ ดูอะไรไม่มีสิ่งที่ทำให้หลงให้ลืมมากของกายของใจซะอาชัยมันให้สำเร็จประโยชน์เหมือนพวงเหมือนแพอาขี่ข้ามภาคใหามันได้อาใสพ่พวงแพรในี่ขี่ข้ามภาคฝั่งโน้นฝั่งที่ไม่ไมีน้านนทนจากที่มีน้าไปถึงที่ไม่มีน้า ไม่ใช่เอาฟงเอาแพร์มาแบกมาอวดกันมาฟาดมาตีกันแต่มาอวดกันแล้วไม่พ อ, อามาทําลายกันจนสิ้หายไปเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเองเรายังไม่พอยังเป็นโทษเป็นภัยต่อิ่นอื่นวัตถุอื่นไปจินเหล้าไปสโสบุรีไปทําผิดอะไรมากมายร่างกาย ใ, ใจเนี่ยทํำให้เดือดร้อนสลับซับซ้อนมาก น่ากลัวที่สุ ด, สดไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับชีวิตที่ไม่มีการศึกษาแม้แต่ตัวเองก็ยังเป็นไทยแก่ตัวเองนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับโทกเสียใจยเปิดโลกไทยไทยเจ็บมากมายจนเป็นปัญหาโรเอดโลกอะไรเอ้ ย, อ ย, ยโอ้ยเราไม่รู้โอ้พอเรามาศึกษามาเห็นแจ้งอะมันก็เห็นจริง ๆ, เ ห, ๆเห็นไหมเห็นกายไหมเนี่ยมันเพื่อนมันไวอยู่นี่ ยกมือเคลื่อนไหวไปมามันรู้อยู่นี่เอากายมาเป็นวัรสดุอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ต้องต้นจากตรงนี้ไปแต่ก่อนเอากายมาเป็นวัรสดุอุปกรณ์ถ้าห้เกิดความหลงเอากิจเอาใจความคิดความตรงความแต่งมาเป็นเหตุให้เกิดความหลงก็ให้เปรียนปฏิบัติคือเปลี่ยนมาให้เกิดความรู้สึกตัวทําได้ไหมต้องทําได้มันหลงทีอะไรเนี่ยมัน ขีช่างเกียวมามาไหมความหลงมันไม่ได้ขีช่างเกียวมามาน็ตเล็กๆหน่อยๆวววแรงๆรู้สึกตัวท่านเลยมงวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้ต้องเรียกลองให้ใครมาช่วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยความหลงเกิดขึ้ น, น <c oughs> เลยเฮ้ยนะได้ไปกลัวทำไมเนาะน ะ, ะมันไม่ไล่ทังกับยงยงยยงต้องเอาเมือไปไล่มันต้องสร้างบ้านสร้างเรือนต้องสร้างมุ้งรวดสรเสียเ ง, งินเสียทอง อันแก้ความหลงเปลี่ยนความหลงเป็น ค, ความรู้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่มีวัดสดุหนึ่งที่สองอะรู้สกุลกสาทำไมเรานึกว่ามันยากมันไม่ยากของกลัวกับกล้าของกล้ากับกลัวกล้าโกรธเจอทำไมกล้าที่จะไม่โกรธ ก, กล้าทุกข์หรือทำไมกล้าที่จะไม่ทุกข์มันเป็นยังไงชีวิตเรานะ ในแ่เรียกว่าเห็นงูเป็นปลาเห็นกงจับเป็นดอกปั่วเห็นผิดเป็นถูกพวกสัตว์นโลกน่ะจับเอากองจับของผลหัวตัวเองเลือดกระเซ็นอยู่ยังมาผลหัวตัวเองเขียนโลกไว้ธรรมารยสูตรไปดูสัตว์นโลกจับกงจับมาผลหัวตัวเองาอาเก็บปวดอยู่ก็ยังผลอยู่มีไหมของเรา บางทเอามาเยืย่ไหว้สมโกรเอามาผลหัวเองคิดขึ้นมาเราทุกคิดขึ้นมาเราทุกยังคิดอยู่มันเป็นเหมือนขนาดนั้นทําไมเราไม่ดูมันอันนี้เรา ม, ามีตาไหนเอยมความรู้สึกตัวมนความรู้สึกตัวมันแสดงให้เราเห็นอยู่เราก็ดูไหมดูมันรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ่ะรู้สึกตัวไว้เพื่อตั้งหลักเพื่อตั้งท่าที่จะดูมัน มันเกิดอะไรมาก็ดูมันดูมันไปคําว่าดูเนี่ยมันมีทุกอย่างอยู่ในสภาพแบบนั้นคำว่าดูมันก็ต้องเห็นเห็นแล้วมันก็ต้องไม่เป็นถูกต้องที่สุดเลยไม่เป็นไปสำมั่นเราดูมันให้เป็นไปสำมั่นเราดูมันตัดไปตะเพิ่งตะคือเห็นมร์เจ้าพ่นไปแล้วนะมักคือดูนี่แหละตัวมักจริงๆมักตัวไหนมอม่ารอเรือสองตัวคอควาย มรรคแต่ว่าทางเดินทางชีวิตจิตใจไปสู่ความเป็นพัฒนาชีวิตจากความเป็นคนคนไปสู่ความเป็นมนุษย์จากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นพระนนไปถึงมาถึงผลนนทมรรคกัวนี้คือดูนี่แหละเติมเต้นก็ดูนี่แล้ ด, แลดูกายดูใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาดูมันสร้างขึ้นมาโดยพ่อกายเนี่ยเป็น สมปราถนาโดยสมใจนึกซะตายต้องการลูกว่าอะไรก็รููได้ทันทีจะมาเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างความลูกึ้นมาลูได้ทันทีลูได้ทันทีนี่แหละสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกสําเร็จประโยชน์ตายของเราเนี่ยนะจะไปเอาอะไรมาเป็นสารพัดนึกเท่ากับตายของเราทามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ใช้มันให้มันเกิดความลูกึ้นมา แต่ตอนเราใช่เกิดความหลงมันใช่เราด้วยไม่ใช่เราใช่มันมันใช่เราด้วยเราจะไหวใช่มันซักมันรู้จุดตัวรู้สุดตัวมันก็รู้ได้รู้สนุกสนุกรู้แบบสดชื่นรู้แบบบริสุทธิ์เนี่ยอยเป็นรูปแบบเพ่งแบบจ้องนะอยเป็นรูปแบบเอาผิดเอาโทษนะอย่าไปรูปแบบสุขแบบทุกข์นะให้เห็น ไม่มีอะไรเห็นก็เห็นมันเคลื่อนมันไหวอยู่ดล้มันต้องเห็นแต่ไปหาไม่ได้หาอะไรเขาจะแสดงเองเมื่อเขาแสดงเอาก็ดูเอาเขาจะแสดงบมดท่านหมดเลยก็ดูเอาบวดศูน์ปวดทุกข์ปวดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยรู้เอาเออรู้เอารู้เอารู้เอารูา้สึกตัวจริงๆเด็กหัวใสตือนือล้ น, ลน ลู่สุดตัวลู่สุดตัวจนเห็นแง่เห็นเป็นโลกเห็นเป็นนามเห็นเป็นโลกธรรเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นโลกโลกเห็นเป็นนามโลกเห็นเป็นโลกทุกข์เห็นเป็นนามทุกข์เห็นเป็นโลกเห็นเป็นสมมุติเห็นเป็นบัญญัติไม่อยู่ในโลกไม่อยู่ในนามมันต่อกันไปลื่อถอนสมมุติบัญญัติเบาวิวอะไแบบนั้น ตาเห็นรูปถ้าไม่มีสติก็เกิดสมมุติเกิดบัญญัติ ต, ตาเห็นรูปมีสติไม่มีสมมุติไม่มีบัญญัติเลื่อนถอนสมมุติเลือถอนบัญญัติสมมุติบัญญัติไม่มีโอกาสใช่ไม่มีโอกาสใช่ตาใช้หูระหว่างสัมผัสเป็นสัมผัสล้นล้วนสัมผัสโดยความปกติสัมผัสด้วยสติปัญญาถ้าไม่มีสติระหว่างตาเห็นรูป แต่มีสมมุติปัญญัติเข้าไปยึดทันทีโอ้ได้ยินเสียงแต่มีสมมุติปัญญัติเข้าไปยึดทันทีจะบอกได้กินเล่นเลยลดกายสัมผัสใจกายสัมผัสจิตใจคิดนึกสมมติปัญญัติจะเข้าไปรับช่วงนั้นทันทีเพื่อให้ไปสู่แบบโลกโลกทั้งหลายในลดชาติทำไมเกิดลดชาติ มีสมมุติปัญญัตะก็มีวัตถุอาการก็เกิดผู้ประทานขึ้นมาเกิดรักเกิดชังเกิดพอใจเกิดไม่พอใจเกิดยินดียินร้ายใช่ไหมเป็นไปทํานองนั้นวันนี้เรามามีสติรู้สึงหรือถอนสมมุติปัญญิสมมุติปัญญัติั้องมีโอกาสใช่ในใจสติสมรชัญญาบริสุทธิ์กับสักแต่ว่าสักแต่ว่าสัมปชัญญะเวทนา แต่ว่าสัจจว่าได้แบบโหได้ยินเสียงสัจจว่าได้ยินอ่ามีสมมติปัญญาสมมติได้กินสัจจว่าได้กินเล่นได้ลดสัจจว่าได้ลดกายสัมผัสสัจจว่าสัมผัสจิตใจมันพิษสัจจว่ามันพิษมันก็หยุดมันก็จบลงเหมือนทิ้งก้อนปวดก้อนเห็นใส่ฝาผนังสัมผัสแล้วก็ตกลงตรงนั้นสัมผัสแล้วก็ตกลงตรงนั้นอ่ามีสมมติปัญญา ไปลองรับหวานกับเท่งดินเหนียวติดวาผนังติดอยู่ตรงนั้นล่ะสัมผัสปั๊บกดถูกเลยเปื่อนไปเลยจากฝาที่ทาด้วยสีด้วยอะไรต่างๆางามๆก็เปื่อนๆไปหมดเลยเพราะมันติดในวิสของเราความบริสุทธิ์แต่ก่อนแต่เดิมมันก็กลายไม่มความบริสุทธิ์เปื่อนไปด้วยการสัมผัส ก็ตาเห็นโลกหูได้ยินเสียงจมูกไปกินล่้นได้่ลดกายสมผัสจิตใจคินนึกไปทำเหล่านั้นอันนี้บริสุทธิ์สัต่ว่าบริสุทธิ์สัต่ว่าบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความหมดจดเป็นของเฉพาะตนคนเื่นจะยังคนเื่นให้สมองหมดจดเป็นไปไม่ได้มั่นใจระเบนั้นมั่นใจในการกระทำระเบนทำไรทำไรพอประพฤติปมอิจารประพฤติปมอิจารความรู้จิตตัวทําให้เกิดปมวิจาร บริสุทธ์กลายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลข้าวหน้าไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยสติก็พัฒนานะลู้มากลู่มากลู้มากรููมันไม่เหมือนสติธรรมดามันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันเป็นมรรคมันเป็นผลมันเป็นญาณทะลุทะลวงอย่างลูกเห็นอะไรหลุดพ้นถึงนั่นเห็นเรื่องใดหลุดพ้นถึงนั้น ไปแล้ววันไปแต่เพต่เพื elles, ่อละว elles, ันเอียงไปไหลไปสู่มอกสู่ฝนไปโน่นแล้วปฏิบัติธรรมนะเอาหมังก็เดินทางเอาบ้านโน่นบ้านนี้่ไหวหลังเรื่อยๆไปผ่านไปเรื่อยๆผ่านปฏิบัติประมันกันเอาความโลภ ค, ความโกรธความหลงไหวหลังเรื่อยเอาความยึดมันม่นถือมั่นไวห้หลังเรื่อยเอาความทุกข์ความสุขไหวหลังเรื่อย หลุดพ้นไปเรื่อยๆหลุดพ้นจากความทุกข์มันจะเป็นยังไงเราก็รู้เองมันกัจัดตังหลุดพ้นจากความหลงหลุดพ้นจากความรักความชังคนละโลกกันแล้วกับเราวันเนี้ยนะอยู่คนละโลกกันแล้วความทุกข์ที่มันเคยมีมาก็อยู่คนละโลกคิดหาแทบจะไม่เห็นความโกรธความยึดตุกความวล่นช่ำหวงอยู่คนละโลกแล้วจืดไปหมดเลยจะเอาว่าเป็นสุขมันก็ไม่ได้เหมือนกับ ข่มขืนตัวเองแต่ว่าเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่เหมืนกับข่มขืนตัวเองให้เป็นสุขผ่มขืนตัวเองให้เป็นทุกข์ความทุกข์ความสุขมันข่มขืนแต่แต่ก่อนนะมันพอใจมันบ้ามันเป็นเพี้ยนธาตมันเป็นธาตของเขาเขาข่มขอเอาให้เป็นสุขเขาข่มขอให้เป็นทุกข์ไอ้เจ้มันเป็นอิสระมันเป็นอิสระมันเป็นอิสระมันบอกคืนมันบอกคืนมันบอกเคลมันจืดต้องตัวเทียน แต่หลวงพ่อเทียนโทษให้เราฟังมันจืดมันจืดจะไดเน้อหลวงพ่อมันจืดกันยังไงมันจืดเลยหมือนจะเอามือเอามือไปแตะคนเด็กน้อยนะมันจะคนเด็กน้อยบหมันมีเลือดแดงซ้ำๆทางในหรอกเอามือไปแตะมันจะจืดดอกมันจืดท่นหลวงพ่อเทียนมันจืดอ่ามันหลายอย่างก็ชืด มันไม่มีรสชาติในความทุกข์มันไม่มีรสชาติในความโกรธความรักความทั้งมันไม่มีมันเกิดไม่มีอาเมธ ท, ที่ทาให้เกิดสุขเกิดทุก ข, ข์ถ้เป็นความสุขก็มีอาเมธแต่ก่อนถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นอาเมธแตอนนี้มันเป็นชีวิตรวนรวนแต่สติสมัยัญญะรู้จุดตัวรู้จุดตัวอย่างนี้นะ เห็นไปอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงไม่ใช่เดินลอยอากาศไม่ใช่ตัวเบาจนจะเหาะได้โอ้นั่งไปอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนก็เคยทําแบบนั้นนั่งตัวลอยขึ้นไปเบาเหมือนจะเหาะไปได้อาจจะมีเห็นพระกรรมฐานลูปหนึ่งที่ตกหน้าผาตาย อยู่เวอร์คอนสารสมัยปีร้อยสิบสองสิบสามเนี่ยเราใน ว, วนันไปเทศน์นนกระถินเลยพระก็ตายใหม่ใหม่เขาพาไปดูเขาพาไปดูตรงตกหน้าผาอนีมหน้าผาก็ตกลงมาก็เดียวแล้วก็เผาใหม่มๆ่เาสันนิฐานว่านหนึ่ง อาจจะบอกเล็กหอบหอยคนขาจะเอามัดโยนลงหน้าขาสองอาจจะเกิดที่ปัญสน่เกิดนเมตรตัวเบาคิดว่าจะห่อได้มันเบาก็เมืนะ้ำกายแล้วหัตาความเบากายเดินไม่เหมือนกับเกีบีบเพื้นนินเลยเิรวเบา เออไปนั่งกับหน้าผาจะโดดจากเขาลงเล่ไปเขาลงนั่นลงนั่นนะเขาก็โดดลงไปก็ตกก็หน้นหาผาตายเลยอาจจะเป็นไปได้เพราะอารมณ์ของวิ ป, ปัสโนจะไปหลงมันจะไปหลงสุกจะไปหลงรู้นะบางทีมันมีความรู้นะบางทีมันมีความสุขโอ้ยนั่งยิ้มคือนน้ำลายตัวเองก็อิ่ไม่ต้องกินข้าวกิ น, น้ําก็ได้นะแล้วว่าปิติปัสสิทธิ เป็นยานเะ่น้แตงเป็นพานเชนิด้แต่งในเพื่อนวางองค์เคยเป็นอารมณ์แบบนี้วันนั่นที่ไปอาวิเศษนั่งรถคุยกันไปเราติดสุขยิ่งวุ่นวายยิ่งสุขกถ้าทำโน่นทำนี่กพออยู่ได้ถ้าวุ่นวายถ้าเียวเจ้าเจียเจ้าก็ปุ๊ก็การทนันทีเขาก็ลงมาอยู่ตรงนี้ของพ่อเขบอกว่าไปนะไหนม่ได้มาติดตรงไหนนะก็เลยบอกเขาว่า อันเนี้่เอาไว้เอาไว้ใช่ในเวลาเวทนาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ในตอนที่มันเป็นเวทนาถ้าแบบอื่นๆ อ, อย่าไปใช้มันให้สเตย์ไปให้สเตย์ไปถ้า mm. ทําอันน่นทํานี่เดินตรงกลมอะไรมันก็ลู่ดูแต่ว่าเมื่อเวลาอะไรเกิดขึ้นสับสนวุ่นวายอยู่ในที่เกี่ยวจาว่าเขาก็กลับเข้ามาตรงไหนเขาสงบไปเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าฌาน ฌานเน่บางทีมันก็ทําให้คนติดเหมือนกันแต่ฌานนี่ต้องอะ่าไปหลงมันจะไปไหนไม่พ้นเลยแล้วบางทีมันก็เสื่อมได้ฌานมันเสื่อมได้ยากไปติดสุขจะไปติดรู้มันมีเหมือนกันสุขก็มีเหมือนกันรู้ก็มีเหมือนกันอารมณ์รู้อารมณ์สุขมีเหมือนกัน เราจะต้องดูต้องเห็นเห็นวันสุขเห็นวันร่้จึงเหนือโลกน่ะถ้าสุขก็อยู่ในโลกทุกข์ก็อยู่ในโลกสุขก็อยู่ในโลกทุกข์ก็อยู่ในโลกถ้าเหนือสุขเหนือทุกข์นั่นแหละอันนอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกเลยเห็นไหมเห็นวันสุขไหมถ้าเห็นแล้วก็จะได้เห็นวันทุกข์ไหมเห็นเรากใจะได้ จะพาให้เราไปถอดถอนน้นการเจริญสติสติคุณ ภ, ภาพของสติทําหน้าที่แบบนั้นเห็นมันสุขเป็นมันทุกข์เห็นมันโล่งเห็นมันไม่โู่งอะไรสติแท้ๆถ้าเป็นผู้โล่งถ้าเป็นผู้ไม่โล่งไม่ใช่สติแล้วเป็นอันอื่นไปแล้วเป็นความโล่งไปแล้วหาความโล่ง ก, ก็ได้ความโล่งไปแล้วหาความสุขก็ได้ความสุขแต่ความสุขความโล่งความทุกข์มันจบมันเสื่อม มันเสื่อมเป็นมันมันหมดเป็นมันมีแค่สมมุติแค่บัญจัตขึ้นมาเป็นครัง้งเป็นคราวแต่ว่าถ้าดูเน่ยในสติดูเนี่ยรู้เห็นเพราะว่ารู้สึกตัวมันเป็นภาวะที่ดูนะรู้สึกตัวมันภาวะที่ดูภาะวะที่ดูมันก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วอะไรนะรู้แล้ว ตกก็รู้แล้วทุกข์ก็รู้แล้วหลงก็รู้แล้วรู้ก็รู้แล้วมันไม่มีอะไรรู้แล้วมันก็ผ่านแต่เพื่ะเปิดเป็นพรหมจรรย์ไม่เปิดไม่เืลอนนะเนี่ยเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นนทำอย่างนี้ไปในสติในสติไปรู้สึกตัวทําสบายสๆอย่าไปทําแบบรีดแบบอยากรูก้อยากเห็น หลวงพ่อพูดคนอื่นพูดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเป็นเหมันนั่นอย่างนีอยากไปคิดแบบนั้นจะให้ความคิดพาทำอยากให้ความคิดเกิดความอยากความอยากพาทำทำซื่อๆทำซื่อๆทำสบายๆทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่รู้ไว้เห็นอะไมันเห็นอยู่มันเห็นกายมันเห็นการเคลื่อนไหวอยู่นี่จะเห็นอะไรอีกไม่เอาเห็นที่มันเห็นอยู่นี่ วันนี้ให้เราเห็นอยู่เลยนะมีอะไรก็เห็นมันกลับมาตั้งไว้ที่เดิมจะไปกับสิ่งนั้นจะหาจิตเหน็บไปดูสิ่งนั่นไม่ใช่ไม่ได้ไปหาหลักเรามีที่ตั้งเรามีมีกายเคลื่อนไหวแต่มาให้มันเห็นอยู่นี่แล้วนะนี่คือตัวปฏิบัติหลักของเราการปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของการกระทําเราไม่หลักสุดแล้ว ขอโทษกันยานี้ทุวันทุวันเนาะเอาละวันนี้สาหรับวันนี้ก็สมควรเจริเวลาพวกเราก็กราบพระพ่อมอกัน